ธรรมะฝ่ายชั่วที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีหรืออกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกำลังคำอธิบายลักษณะของนิวรที่เป็นพุทธพจน์มีว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าประการเหล่านี้ เป็นเครื่องปิดกั้นกุศลธรรมเป็นเครื่องห้ามความเจริญงอกงามขึ้นกดทับจิตไว้ทำปัญญาให้อ่อนกำลังอีกแห่งหนึ่งว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเป็นสนิมใจหรือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังอีกแห่งหนึ่งว่า ธรรมะห้าประการเหล่านี้เป็นนิวรณ์ทำให้มืดบอดทำให้ร้ายจักษุทำให้ไม่มีญาณสร้างความไม่รู้ทำให้ปัญญาดับส่งเสริมความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนิวรณห้าอย่างนี้พึงระวังอย่านำมาสับสนกับสมถะหรือสมาธิอากพบที่ใด พึงตระหนักไว้ว่านี้ไม่ใช่สมถะนี้ไม่ใช่สมาธิวิวรห้าอย่างนั้นคือหนึ่งกามฉันความอยากได้อยากเอาแปลตามศัพท์ว่าความพอใจในกามหรืออภิชาความเพ่งแ่งอยากได้หรือจ้องจะเอา หมายถึงความอยากได้การมาคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสพทธพพที่น่าปรารถนาน่าใกร่น่าพอใจเป็นกิเลสพวกโลภะจิตที่ถูกล่อ ด, ด้วยอารมณ์ต่างๆคิดอยากได้นวนอยากได้นี่ติดใจนวนติดใจนี่คอยเคลยออกไปหาอารมณ์อื่นกลุ่นคล้องอยู่ยอมไม่ตั้งมัน่นไม่เดินเรียบไปไม่อาจเป็นสมาธิได้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 สะดุดนั่นสะดุดนี่เดินไม่เรียบไม่ไหลเนื่องย่อมไม่อาจเป็นสมาธิสาถีนามิทาความหดหูและเสื่องซึมหรือเซ็งและซึมแยกเป็นถีนะความหดหูห่อเหี่ยวถดถอยระย่อท้อแท้ ความบซบเศร้าเหงาหงอยละเหียที่เป็นอาการของจิตใจกับมิทธะความเสื่องซึมเฉยเฉาง่วงเหงาอึดอาดมึนมัวตื้อตันอาการซึมซึมเฉาเาที่เป็นไปนทางกายกายในที่นี้ท่านหมายถึงนามกายคือกองเจตสิกจิตที่ถูกอาการอย่างนี้ครอบงำ ยอมไม่เข้มแข็งไม่คล่องตัวไม่เหมาะแก่การใช้งานจึงไม่อาจเป็นสมาธิได้สี่อุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและเดือดร้อนใจยยกเป็นอุทจะความที่จิตฟุ้งซ่านไม่สงบสายพร่าพล่านไป กักุกุจจะความวุ่นวายใจรำคาญใจระแวงเดือดร้อนใจยุ่งใจกลุ้มใจกังวลใจจิตที่ถูกอุทจจกกุธธ ก, กุจจะครอบงำยอมพลานุนงานยอมคว้างไปไม่อาจสงบลงได้จึงไม่เป็นสมาธิห้า วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้แก่ความเคลือบแคลงไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระาศาสดาพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับศิกขาเป็นต้นพูดสั้นว่าคลางแคลงในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายตกลงใจไม่ได้เช่นว่าธรรมะนี้คือสมาธิหรือภาวนานี้และอื่นๆมีคุณค่า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 มักบรรยายไว้ก่อนหน้าจะได้ชานส่วนนิวรห้าที่มีการมชาชันเป็นข้อแรกมักกล่าวไว้เอกเทศและระบุแต่หัวข้อไม่บรรยายลักษณะปฏิสัมพิามักอัตกถาระบุว่าอภิชาเท่ากับการมชาชันส่วนในอภิธรรมัพิฎกธรรมสังคณีระบุว่าอภิชา เท่ากับโลพา